มัชมาของพระครูพระจ า, าที่เด็กมันหนักขนาดไหนมัชฌิมาก็อย่างนั้นเอาให้ถึงกันถึงกันนั่นนั่นเดียวมัชฌิมาเราเอย่ามัชฌิมาของที่เด็กมาใช้เลยถ้าเราจะต้องการแั่มัชฌิมาพระเจ้าให้เรียงถึงความหนักเบาของเราที่มันแสดงอยู่ภายในใจมันมีความหนักเบาแค่ไหนมีความดื้อด้านขนาดไหนภายในจิตต้องใช้อุบายทรมานมันจนให้ถึงกันนั่นน่หละเป็น มัติมาเหมาะกับการค่ากิเลสประเภทนั้นๆมัติมาที่มาที่โลกหมายกันคือความที่เกียรตอ่อนแอขณะนี้พอดีพอดีพอดีนะมัติมากิเลสมันจะไม่พอดีไงมัติมาต้องทําให้เป็นนะควรจะตายว่าว่ามัลงไปควรจะอะไรมั่วผลมั่วผลลงไปตามการตามเวลาตามลฐานที่ตามเหตุการณ์ด้วทเกคนจะทําอย่างนั้นนั่นนั่นแหเรื่องมัติมา มัมังคีเดชอย่างที่เราท่านท่านเห็นกันนี่มัมังคีเดที่้างเนี่ทอะไรบ้างเยอะมากเพราะว่ามันจะินตายคนจะทำหมุมัตมาเเนี่ยวิเดมันเอาดวงวิญญามาใส่เข้าไปแล้วมันอยู่ข้างหลังแล้วแล้วมันขึ้นปีนบนหัวขนบนหัวใจคนน่ะบนหัวบนหัวเลยคาว่าธรรมะนั่นเป็นของกลางก็จริง แต่ผู้ที่นำมาปฏิบัติต้องแยกมาตามประเภทให้เหมาะกับตดินิสัยของตนที่จะนำไปใช้คือธรรมะคำว่าเป็นของกลางมีทั้งอย่างหย่อนอย่างกลางอย่างอุ ก, กิจคืออย่างเยี่อเด็ดขาดสำหรับผู้ที่นำมาปฏิบัติก็ปฏิบัติทั้งสามอย่างนี้เหมือนกัน คือตามการเวลาหรือตามเหตุการณ์สถานที่ที่ควรจะใช้ธรรมะประเภทนั้นๆให้เหมาะกับกิเลสที่มีภายในจิจตใจขั้นตอนไม่อยงนั้นมันก็ไม่เหมาะสมกันมันแท้กกันไม่ได้ควรจะหนักแต่เราไปเบาเสียมันก็ไม่ได้ควรจะเบาแต่ไปหนักอันนี้มันก็ไม่ถูกก็มันก็เครื่องมือทํางานนั่นเองงานประเภทใดที่ทควรใช้เครื่องมือชนิดใดในข้างต้องทราบเองควรจะหนักจะเบาจะใช้เครื่องมือประเภทใดให้เหมาะสมกับงานนั้นๆ ในา่างเขาก็สร้ามันเขาเองนี่เราเป็นนายช่างขสงหรับเราเราควรจะทั้างนตัวนี้ในตัวเองขนาดไหนที่จิดมันดื้อดึงขนาเวลานั้นลราเอาให้หนักขนาหไหนที่มันอ่อนดูล ง, งไปแล้วมันย้อนลงไปแล้วปฏิบัติถามมันก็ต้องต้องยอ่อนยานลงไปตังหนักทำมันามาเข้าขัานละเอียดควรจะใช้ความละเอียดก็ต้องใชนความละเอียดจะไปผ่าผลนั้นก็ไม่ได้มหาหั่นรูปในตัวเองนเลย ถึงเวลาเด็ดมันก็เด็กถึงเวลาหย่อนมันก็หย่อนแต่ไม่ใช่ว่าย่อนด้วยความอ่อนแอหย่อนตามความเหมาะสมที่ควรท้ายในการนั้นๆกับสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับตนคือกิเลสมีเพือการปฏิบัติเหมาะสมเดียน า, า น, นั้นที่มาจะได้ผลมาโดยนันถึงขนาดที่จิตมันมันหมอบราดลงไปด้วยการทรมานอย่างหนักนี่ขนาดที่มันหมอบราดเราก็จอไตามตีมันยังไงมันหมอบราดลงเข้าสู่ความง่วงแล้ว ก็เป็นผลนั่นเองแล้วก็ชมผลสะว่ผลนั้นจนกว่ามันจะแสดงตัวออกมาอีกในท่าไหนพอถอยออกมาจากนั้นแล้วมันจะไปท่าไหนค่อยตามไปอีกน่ะนี่ยกตัวอยา่างคือพนาจิตที่เราได้พิจารณากันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยยัยงเอาจีนเอาจางังจนถึงเหตุถึงผลประจักษันภายในใจิตใจยังกระทั่งถึงเก้าอยู่ความราบภาบแล้วจากนั้นมันก็ต้อง ต่อให้เป็นเช่นนั้นไม่ไปแตะต้องอะไรเลยนะเป็นผลเกิดขึ้นมาจากการทรมานอย่างหนักเวลาได้ผลก็ได้ผลอย่างเต็มภูมิก็สะได้ผลในขณะ น, นั้นความสงบความสว่างสวยจะสแสดงอยู่ในตัวไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็จะไปชำระอะไรเราจะไปทรมานอะไรในขณะ น, นั้นดวมปติปัญญามีก็ทราบกันอยูเท่านั้นไม่ทํางาน เป็นอย่างรอบหน้าพนมพนันพอจิตถอยออกมาแสดงการดื้อดึงผ่าปุ้นอะไรต่อไปอีกนั่นแหะที่เป็นโอกาสที่จะตามไปตามความหลักเบาของกิเลสที่มันแสดงขึ้นมาอมืเรียวกับความเหมาะสมเิเลสก็มีหลายประเภทธรรมะก็มีหลายขั้นผู้ที่นำมาปฏิบัติก็ให้เลือกเอ า, าอตามกิเลสที่แสงตนที่เห็นว่าเหมาะสมกับธรรมะนั้นๆ ที่จะนำมาที่เลรตมาแก้ที่เลรตประเภทนั้นๆลาใหญ่ก็มีตรงนี้ที่อีกอันหนึ่งครูอาจารย์ที่ท่านเคยหนักตามตรีนิสัยอท่านมาอย่างไรเวลามาให้อบายสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ก็รู้สึกจะมีนิสัยนั่นแฝงมาด้วยหรืออย่างเด่นก็มีไม่ต้องเพียงว่าแฝงมาด้วยแล้วต้องเป็นนิสัยของท่านมาการที่ท่านจะแสดงให้คนทั่วไปฟัง เรื่มายาตอันเหมาะสมดีงาม น, นั้นเป็ น, ป น, ป น, ป น, ปนไปตามเรื่องของบุคคลการแสดงในวงใลกล้ชิดเฉพาะอย่างยิ่งอย่างท่านอาจารย์มั่นท่านจะแสดงอย่างเป็นเม็ดเป็นหน่วยจยางเผ็ดร้อนมีมีแสดงว่านิสัยของท่านท่านเคยฝึกทรมานที่เละหรือปราบปรามที่เละท่านปราบปรามมาด้วยอุบายด้วยวิถีการอย่างนี้นี่ ถึงการที่จะมาสอนลูกศิษย์องหาที่ไปรึกษาอบรมเฉพาะอย่างยิ่งคือนักปฏิบัติด้วยกันล้วนๆท่านจะแสดงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มภูมิของท่านที่เคยได้ปฏิบัติได้รู้เห็นมาอย่างไรแต่บรรดาลูกศิษย์ที่ไปรวมปึกษาเวลาท่านแยกยะไปทําคนหนุ่มมากเป็นประชากนที่ไปเกี่ยวข้องท่านก็แยกยะไปให้เหมาะสมกับคนที่มาเกี่ยวข้องเท่านั้น เป็นบางการที่เป็นเรื่องนิสัยของท่านจริงก็กแสดงในวงใกล้ชิดท่านจะได้เห็นดวลลายของท่านว่าเป็นอย่างไงและพร้อมทั้งจะได้ย้อนพิจารณาถึงปฏิบัติาการในหนังท่านมาตั้งแต่ก่อนตัวระท่านถึงน้องอาเป็นครูบาอาจารย์ท่านมีวิธีการอย่างไรก็คือมีวิธีการดังที่ท่านสอนเรานั้นเองอย่างเผ็ดร้อนออกกิงองอกจากออกเป็นออกตายเข้าว่าเลย อื่ครูบาอาจารหลายจิตมากเจ้านิสัยนั้นมาใช่หรือเสมอเพราะนิสัยนี้อยู่กับตัวเองออกได้ง่ายๆอย่างอื่นที่มาแทนนิสยัยมันก็ต้องมีการดัดแปลงไปตามสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเป็นชั่วการชั่วเวลาเท่านั้นไม่เสมอไปเหมือนนิสยัยอยากนิสัยเป็นหลักเสมอไปแล้ว ไ, ได้เต็มเม็ดเต็มหน่อยถ้าเป็นตามนิสัยแล้วได้เต็มเม็ดเต็มหน่อย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 พังแล้วมันถึงใจถึงใจทุกอย่างแล้วก็มีสงสยัยกำลังใจมันก็มีมาเองแราวที่จะนำเราไปปฏิบัติต่อตัวของเราเองก็ควรจะให้เป็นอย่างนั้นถึงคราวที่จะเด็ดก็ให้เด็ดมีจะอ่อนก็หย่อนยานลงไปตามสภาพของขาดของขันของจิตใจล้วก็อ่อนไปตามสภาพตามการตามีวลนะ ใจิตใจของเราเรียกร้องหาความช่วยเหลืออยู่เสมอเพราะถูกค่าสืกบกดขี่บังคับอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับคนที่ถู ก, กถบกดขี่บังคับเรียร้องหาความช่วยเหลือไม่ผิดกันไปเจออันตรายอะไรมีใครจะฆ่าจะฟันจะแย่งจะจริงอะไรต้องช่วยด้วยเ่วยด้วยช่วด้วยเป็นธรรมนาในี่จิตใจที่ถูก กดขีบบังคับจากค่าสึกคือที่เดททั้งหลายก็เรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเราเช่นเดียวกันเราจะไม่คนนอนใจเมื่อได้รับการเรียกร้องจากที่มาจากจิตซึ่งถูกวิเดทเหออยียบย่ำทําลายจึงควรหาวิธีช่วยเหลือ่วยเหลือตัวเองนั่นแหละหรือบายวิธีต่างๆเพราะเราจะเป็นผู้พึ่งพิงอิมภ์สัยจิตนี้ไปตลอดกาล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 เราจรึงไม่คนนอนใจให้ความเลื่อแก่จิตเป็นเป็นความสามารถตลอดไปจิตจะได้ผ่านพ้นจากอันตรายนั้นๆเป็นลําดับลําดับจนกระทั่งถึงผ่านพน้นบุปสารไปได้โดยสิ่งเชิงทีนี้ความสุขความสบายหายห่วงหายกังวลทั้งหลายลก็คือเราเองเป็นผู้ได้รับมีเป็นหลังใหญของเราผู้ช่วยตัวเองต้องช่วยอย่างนั้นครูาอาจารย์้งกับเป็นผู้แนะนํนนางสอนระบายต่างๆและนํานั้นไปนช่วยตัวเอง ในขณะที่ฟังก็เกิดผลเกิดประโยชน์มีเป็นก็ชนิดหนึ่งเราจะนําอุบายจากท่านไปอบรมสั่งสอนหรือฝึกฝนทรมาณเราเราก็นําไปทําให้เกิดประโยชน์อีกชั้นหนึ่งประโยชน์อันนั้นแหละเป็นประโยชน์สําคัญอีกด้านคืออุบายที่ผลิดขึ้นม า, านด้วยสติปัญญาของตอนเองแล้วกินไม่หมดถ้าเป็นอุบายสกสติปัญญาของตอนคนอื่นยืบยื่นให้อย่างนี้ ย่อมมีขาดเคลอนบอกพร่องเป็นธรรมดาเวลาเขาไม่หยุดยื่นให้ผมไม่ไม่ทราบจะกินอะไรจะใช้อะไรตัวไม่มีสติปัญญานํำออกมาใช้ผิดขึ้นมาเองไม่ได้ด้วยความฉลาดทั้งตน้นคุณวารสติปัญญาที่ครูวารจันแนะนําสอนจึงเพื่อประโยชน์ในปัจจุบันคือขณะที่ฟังด้วยเพื่อประโยชน์ในวาระต่อไปที่เราจะนําอุบายวิธีนี้ไปผิดขึ้นให้ไ ด, ด้บอกได้ผลมากมากขึ้นไปโดยเร็วถ้าเกิดขึ้นใน การผิดโดยอาศัยครูบาอาจารย์เป็นท้นทุนให้อุบายแล้วเราก็ไม่จนเกาะกินงงถึงคาจําเป็นจําใจมาอย่างนี้ไม่พึ่งไข่นักหยุดที่เป็นนักธรรมะที่ได้ต่อสู้ทางด้านจิตสำนึมาพอสมควรแล้วถึงคาจําเป็นจริงๆแล้วจะไม่พึ่งไข่จิตประวัติเข้าภ า, ายในทันทีมันพึ่งไม่ได้จะพึ่งไข่ไา่ก็ตายเต็มตูหว่าง ความตายเต็มตัวสติปัญญาแม้จะมีเต็มผูมงก็มาช่วยกันไม่ได้ในขณะนั้นต้องเป็นเรื่องของเราจะติดขึ้นมาช่วยเราเองนี่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามติดตัวตั้งแต่หมันนี้ที่ยังไม่สายเกินไปให้มีสติปัญญาเท่าเทียมกับคลุ่มายาของกิเลสที่มาแสดงอยู่ในขณะนั้นๆเฉพาะอย่างยิ่งในะขณะตายตัดโลภ์กลัวกัน เ, น, กเ น, กนเรื่องความตายนี้มากไม่มีอะไรเหนือกว่าเรื่องความกลัวตาย เพราะนั้นเราจึงต้องพุ่มเพล์กำลังสติปัญญาลงให้ทันกับอุปายของเกลเอทที่กลัวตายให้มันเกิดความข้าหาญและรู้ความจริงขึ้นมาแล้วมันก็ไม่กลัวเราเมื่อมยังไม่รู้มันก็ต้องกลัวเป็นธรรมดาเมื่อรู้เข้าถึงความจริงด้วยกันแล้วอันใดมันก็กิงไปหมดไม่ใช่จะไปหากลัวอะไรเหมือนหลอกตัวเองนะตายก็ทราบแล้วว่ามันตายไป็นอย่างไรจึงเรียกว่าตายเนี่ย รู้ชัดเจนมันกระทั่งถึงความสลายแห่งดินน้ำลมฝ่ายรื่อง้ไปทามสภาพของมันมันไม่เห็นมีความจระทบกระทั่งในการสลายตัวของมันเองแต่เหตุใดเราใจซึ่งเป็นของแม่ทายแล้วไปกระทกระทั่งหวั่นไหวกับเขาไปกลัวเขามีอย่างเลยว่าเนี่เพราะฉะนั้นก็ะทัดขันมันไม่โง่มันก็ไม่โง่อยู่กับมนุษย์เราผู้เป็นเจ้าของนี่เลยเราต้องผลิดความฉนาดให้ทันกับท่ากับขันกับตัวเองคือจิตกฎมายาที่เกิดขึ้นจากจิตทำให้ทันกันแล้วมันก็ไม่กลัวกันจะกลัวอะไรมันมีความจริงเต็มโลกนี่ เรียนธรรมกคือเรียนความจริงที่มีอยู่เต็มโลกเต็มสารทั้งท่านทั้งเรามีเต็มไปหมดตั้งแต่ความจิงล้วนๆถ้าตัดิปัญญาได้ผิดตัวขึ้นมาให้ทันกับเหตุการณ์ที่มีความจริงอยู่ในโลกเดียวกันแล้วมันก็ไม่หวั่นไหวไหกันต่างอันต่างจิงอยู่สมัยเป็นก็เท่าเดิมตายก็เท่าเดิมในความรู้สึกนั้นเพราะเป็นก็เป็นมีความจริงก็เป็นความจริงอันหนึ่งตายก็มีความจริงอันหนึ่งเนี่ยมันไม่มีอะไรผิดแตลกกันเป็นแต่เพียงความเปลี่ยนแปลงของธาตุขัน โยย้ายไปมาเท่านั้นเองทันหวานิจังนิจังมันแปลสภาพตัวของตัวนิจังเองมันไม่ทราบว่ามันเป็นนิจังมันไม่ทราบเป็นทุกขงังไม่ทราบ เ, เป็นอนัตตานะก็คือจิตผู้นี้แหละไปให้ความหมายเพราะว่าเขาเป็นออาานิจังทุกขังอนตาตัวหลงอนิจังทุกขังอนตาทุกออาาคือตัวจิตนี้ไม่ใช่ผู้อื่นใดเพราะฉะนั้นจึงต้องพิจารณาสิงนั้นเพื่อให้รู้ทั้งสิ่งนั้นด้วยทั้งจิตผู้ไปเสดสันต่างๆไปตั้งคันหมายต่างๆให้รู้ตัวเองอยูด้วยเมื่อตาง ลูกทั้งภายนอกภายในแล้วนั่นแหละมันถึงไม่กระทบกระเทือนกันอะไรจะเป็นจะตายจะอะไรจะโยนย้ายเปลี่ยนแปลงไปไหนมันก็ทราบตามความปริญของมันอืมสบายเรียนทําเรียนเพื่อความสบายเพื่อความเพื้องพุกเพื่อความหลอกแก้ความหลอกลวงที่เกิดอุปนิจจ์ทั้งตน้นไม่มีสิ่งใดที่จะหลอกลวงยิ่งกว่าเราหลอกลวงเราเองโลกมันต้มถึงกันเราต้มถึงเองจริงๆมันต้มถึงมากยิ่งกว่า สิงภายนอกมาต้มถุนลหลอกนี่ตลอดเวลาเราไม่ทราบปรากฏมายานี่คือเรื่องหลอกตัวเองล้วนๆการเรียนธรรมะจึงเรียนเรื่องตัวเองเห็นชัดเจนทั้งความปลอมควา ม, ม, มจริงแล้วก็แยกกันอยู่ตามความจริงของตนของตนของสิ่งนั้นของสิ่งนี้มันก็สบายคำว่าพ้นทุกข์ก็คือพ้นจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นภายในตัวเองทิ้งที่จะก่อควรเป็นความมุ่งวายขึ้นมามันสิ้นไปเสียดักใจ มันมีอะไรเหลืออยู่ภายในใจท่านเรียกว่าพ้นพ้นตรงนี้นะพราะฉะนั้นโดดขึ้นไปโลกนั้นพระทิพระจันทร้างคานที่ไหนอ่ะมันเป็นความสําคัญของจิตที่ยังไม่เคยรู้ความจริงอย่างแท้จริงว่ามันเป็นยังไงความพ้นเป็นยังไงความติดข้องเป็นยังไงมันติดข้องอยู่ที่ตรงไหนมันผ่านกันไปได้ที่ตรงนั้นก็เรียกว่ามันพ้นอืมมันหลุดจากกันไปมันเหมือนกับมืดสว่างเนี่อ่ะมืดมม่าจากที่ไหนสว่างมาจากที่ไหนมันก็หยุด เกิดในที่แห่งเดียวกันความโง่หมดไปความฉลาะมันก็เกิดขึ้นแทนที่กันเท่านั้นมันอยู่ในจุดเดียวกันอืมความหลุดพ้นกับความติดข้องก็เหมือนกันพ้นจากความติดข้องมันก็หลุดพ้นะพ้นจากทุกข์มันก็เป็นสุขพ้นจากทั้งสุขทั้งทุกข์แล้วก็เป็นบรมสุเนี่ยมันก็อยู่ในจิตอันเดียวกันท่านมันเองไม่อยู่ที่ไหนรู้ที่นี่แล้วมันก็ไม่หวั่นไหวสําคัญมันหมายพยฐานการเวลาเดียวตะคุกเงา ไม่แต่คูปเงาบอกก็รู้เงาก็ารู้ไปแต่คูปอะไรทั้งตัวก็ไม่แต่คูบทั้งเงาก็ไม่แต่คูปอยู่สมายเห็นดีว่ารู้รอบมือนนั่งตะวันเที่ยงตรงทิศตแล้วแล้วมันไม่มีเงามันรอบตัวหมดมนี่เมื่อปัญญารอบจิตแล้วมันก็ไม่มีเงาเงาคือกิเลสมันก็หมดไปปัญญารอบตัวอยู่สมายนี่เนี่ยธรรมพ้นโลก โลกก็หมายถึงหรือในหมายถึงจิตเนี่ยที่มีโลกแห่งสมมุติมันครอบมามจิตยอยู่แยกกันไม่ออกมนคืว่าโลกแก้ตรงนี้หมดแล้วมันก็เป็นธรรมเป็นธรรมล้นล้วนแสนสมัยหาให้เจอไม่เจอมากก็ให้เจอต้นทางก็ยังดีหลักจิตเป็นใจเป็นสําคัญเป็นหลักใหญ่โตมาก สำหรับผู้ท่องเทียนในำมาตัดองสารขอจงยึดหลักจิต ใ, ให้ดีไปปฏิบัติอบรมจิตใจให้มีหลักมีเกณฑ์ไปไหนถ้าหลักของใจดีแล้วเราไม่ต้องวิตกวิจารณ์ในการจะเกิดจะไปพบใครไปไหนก็ไปเถอะความดีแล้วจะไม่ทําผลให้เสียเพจะต้องมีดีอยู่กับใจใจที่มีหลักแห่งความดีประจําตัวนั่นแหละถามไม่มีอันนี้แล้วจะกลัวท่านละก็กลัวจะยิงเป็นการทําลายตัวเด่นซ้ําเข้าไปอีกกลัวจะไปเกิดที่ไหนกลัวจะตกนรกกลัวจะเป็นทุกข์เป็นร้อน แต่ไม่ได้สร้างความดีเพื่อเป็นการลบล้างซึ่งความทั่วหรือเป็นการต้านทานเป็นการป้องกันตัวเองเลยอยนางนี้กลัวเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์ขึ้นไม่ใช่เป็นของดีคือมันมันไม่ใช่เหตุผลที่จะเป็นไปเพราะความหวังของตนว่าไม่ต้องการได้รับความดุกแต่มันก็ต้องทุกข์โดยดีทางเหตุผลนั้นเราต้องอรีบแก้ไขเราใช้ธรรมะนี้สันสวดกุศลธรรมมาฟังเสียตังแตยังไม่ตาย แปลว่าอะไรกุศลธรรมม า, าตายแล้วมือสวยกันเต็มมาเต็มตมาเฮ้ยลองไม่หยุด่งไม่นั้นลนะก็จะมากตามั้งสว้มันเต็มใจของเรานี่กุศลธรรมาแปลว่าอุบายของความฉลาดเอาผลขึ้นมาให้มันเกิดความจเจรอญฉลาดทา่านกับพิเลรขึ้นเป็นความโง่เขา่าทําผลให้โง่เข่าก็คือพิเรศกุศลาสรมมาทั้งมาคุศนได้แก่ความฉลาดแก้ความโง่อยู่ภายในจิตใจมาแล้วกุศลนันกุศลาก็ต่างตายแล้มันแสนทําัย ไม่ต <f dragging> ้องพยุกต <jack> ์อะไรไอ้ผู้ประกอบกุศลาเองก็ไม่ศราบกุศลาคืออะไรเปิดเสือกินเงินยินทองเขาบอกผาล์เกิดประโยชน์เฮ้อเงั้นกินนี่กุศลาทํามมาแต่ดูสิตของตัวเองมันฉลาดหรือไม่เวลานี่ยอากุศลาทํามามันมีโง้อยู่ในจุดใดบ้างภายใจิตนี้เออปยากต์าทำมันกลางๆมันคิดยังไงมันเป็นกลางคิ่เรีนเป็นกุศลที่แลียนเป็นอกุศล มันบริสุทธิแล้วมันก็เป็นอภิยากตาธรรมเหมือนกันถ้าเราจะจะแยกสมมติไปกับนั้นแต่กินเราธรรมดามันเป็นไปไม่ได้ท่านแยกไว้เป็นธรรมหลายประเภทนี่ล่ละล้านใหญ่อยู่ที่กุศลธรรมะกุศาธรรมะอภิยากาตาธรรมะภายในตัวของเรานี่ทั้งนั้นสร้างให้พอกุศลธรรมะให้ตัวให้ให้หมันถอดเนี่ายแล้วนี่มลภาะมาติดคาผูา้เรีานหรือไม่ไม่เป็นปัหา น, นี่โลกเขานิยมมันว่าการทำขึ้นมายอย่างั้นแหละ นเหตผลหลักฐานอันแท้จริงมันไม่ค่อยได้หลักฐานในเหตุผลอันแท้จริงก็คือกุศลธรรมมาภายในตัวเองนี่นี่แหละเป็นการถูกต้องตามหลักธรรมของพระุทธเจ้าไม่ผิดการสร้างกุศลธรรมมาแก่อกุศลธรรมมาภายในตัวเองแก่ของนี้สร้างตรงนี้ในเทศเสมอนี่ใครจะมามากว่าตามบางทีเทศในชนูชนงมากพรอัดซ้ำขัดเรื่องนี้เอาใหญ่เลยอื เวลหลงตาบัวตายแล้วยิ่งมาไปเขี่ยคว้านของข้ามหมายลาบากลำบนท่านมากุศลาธรรมอาบุศลาธรรมาหลงหลงตาบัวตายแล้วน้าเาออ uh uh <c oughs> ตายแล้วตายทังหลวงตาบัวเออพยายามสร้างกุศลความฉลาดมาโดยลำดับต้นเต็มปฏิกํลาลังความฉมาถทามันจะจมให้มันจมไปเออหาความสลาดถึงจนไม่ได้มันจมไปไม่ต้องมาสุกุศล า, มาไม่เกิประโยชน์วางนี่เลยแต่กวนขึ้นมาทําไมครับแต่กวนพระธรรมขึ้นวางสร้างเตรงให้มันพอ เวลามีชีวิตยอยู่ไม่สนใจเวลาตายแล้วไปเทียท่ยวกว้านนกพระต่า ม, มาต่ ม, มามกูศลาทำมายุ่งไปหมดในส่วนมาท้งก็มีแต่พิธีนะแล้วให้พวกนั่นสับปะหลมปเลเลอเขาจัดนั่นจัดนี้แต่แม่แต่ผ่าไส้ที่วอนอะไรก็เขาจัดแ ล, แล้วเราก็ดำ ด, ม, ดมมาถวายเท่านั้นเป็นพิธีอันหนึ่งเอ้ยน้ำพังน้ำแล้งตัวเองที่จะทําแสดงความพอ อ, อกพอใจด้วยตัวเอง เป็นสมบังตัวเองเป็นเจ้าผ้าเป็นเนื้อหนังของตัวเองเกี่ยวกับญาติกระวงกับพ่อกับแม่ไม่เห็นแสดงมาจะเป็นพิธีพธิธีมันเรื่องมันนี่แต่เรื่องพิธีทั้งหมดทีนี้ความเป็นความตายความถูกความทุกข์มันไม่ใช่พธิธีมันเหยี่ยมย่ําทําลายอยู่กับหัวใจของคนเพราะนั้นเราควรจะแก้ที่ตรงนี้แกให้พอพ อ, พอเมื่อมันพอในใจแล้วรู้เองอดีในงานสมบุญพอบัวนี่หรอทำให้คนเห็นพราะ โรคบางทายแล้วนี่สมัยปัจจุบันนี้ไม่เห็นหมีตายแล้วก็ยุ่งพุทธลามาติกากันยุ่งไปหมดเลยนี้ไม่ดีดห่อวิธีทำมาตั้งกึ๊กลงไปสวดกันทั้งวันทั้งคืนไม่ทราววิธีทำหมายความว่าไงสวดกันวันทั้งคำคืนยังรุ่งนี้จะเสียงอึกทึกขึ้นโคลนหาความส ง, สงบสงัดที่จะเป็นไปเพราะความสงบเย็นใจแต่ก็ไม่ได้นี่จึงห้ามเลยอย่ามาสวดอะไรอะไรไม่ให้สวดทั้งนั้นเราห้ามเอเลย ลาพระท่านมากอมาอา้าวหลักที่ถูกต้องจะบางสกุลเอาบางสกุลท่า น, นใครมีเจทนาอะไรเอาบางสกุลเสร็จแล้วจะถาะตีให้พยอด น, นี่ยเหมาะเหมา ะ, มาะถูกต้องตามหลักของพระพุทธเจ้าทำอย่างนั้นจริงๆด้วยสั่งอย่างนั้นให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่าง อ, างอื่นให้โลกได้เห็นนเป็นเรามีแบบนีฉบับของเราแล้วไม่ได้ทำแบบสมุดดาวๆถึงแม้จะป่าก็ตามเออ มีหลักมีหลัางนั้นแ่ะทําอะไรต้องมีเหตุผมมีหลังมีจริงเดี๋วเอ า, าตัวตัวเคลียมาเหยียบย่ําทำลายศา ส, สนาจะเหลือแต่ชื่อความจริงจะไม่เหลือนี่ใช่ไหมมีศาสนาพิธี่เป็นโมดเป็นบ้านเป็นเมืองไปที่ไหนกว่าจะเข้าถึงตัวจริงแล้วไม่เจอตัวจริงก็เลยไม่มีนี้แต่พิธีเต็มบ้านเต็มเมือง นี่คือไม่อยากไปเกี่ยวข้องเขาเน้นไปที่นั่นที่นี่เฉพาะอย่างที่นะกรุเทพดุสิตลุงนาเนนไปกุชลามาติการบางสกุลเอ้ยอย่าให้ไปเลยมันไปกี่ควางเขาหรือว่างนี่อะอ้าวทิ้งไปนั่นความจริงแล้วมันอยากไปยุ่งนี้แต่พิธีไปยุ่งเลยกว่าจะได้ทำมาลายหนึ่งโหพิธีวัดแปลกทําการรอบด้านรอบนองศาสนาไม่จะดงานพิธี ทำต้องทําให้จริงให้จาให้ถูกตามเหตุตามผลกนุสุตุสุท้าหลังที่จถือเป็นกติเป็นอย่างอันดีเงี้ยนั่นอยากมีที่ตรงนั้นไม่อยู่ที่พิธีใจถ้าพิธีเอาขังได้แท้ได้ขังในสิ่งที่ไม่ขั ง, ขงเกาในสิงในสถานที่ไม่คันถ้ามันถลอกปอกเปิบแล้วไม่หายามอาใส่มันเกิดกระโยชอะไรคันที่ตรงไหนเกาวที่ตรงนั้นไงฮึ่มรินที่ไหนพิจารณาที่ของนั้นนี่แหละเรื่องสว่วนกุศลาธรรมะให้สวในให้ตัวเองนั่นแหะ นั่งก็ให้สวดยืนเดินนั่งนอนให้สวดกุศลาให้พิจนาความฉลาดแก้ความโง่ของตัวเองความโง่นั้ำพาให้คนติดรับความทุกข์ความลำบากความฉลาดไม่ได้พาทําให้เป็นอย่างนั้นความฉลาดที่กิเลดเสกสรรที่มาให้เป็นความฉลาดมันมันก็เป็นความโง่ถ้าเป็นความฉลาดเกิดขึ้นมาตามหลักธรรมะคือเหตุผลด้วยแล้วจะไม่มีเรื่องความถูกความฉนาดเกิดมางอแงเท่าไรจะปวดเปื้อนทุกคือความโง่นั้นเป็นอันเป็หตุมาจากความโง่นั้นให้หมดไปโดยลำดับ นี่แหละกุศลน่ะถูกต้องอคิดน่ะตรงนี้เหตุประโยชน์อริยมรรคปัิโยมันเกิดจากอะไรเหตุโยมอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็หัวใจของคนเราอย่างพระอาตมาที่ท่านแสดงกับภาษาญวนยะตมาเหตุปภวาน่ะถำร้ายเกิดจากเหตุเหตุประโยชอะไรเป็นเหตุน่ะก็ใจเป็นมหาเหตุแน่มันเป็นปัจจัยก็เออออกไปอย่างนี้ก่อนเมื่องเป็นขั้นแหงไปดูลำหนําดับ ก็ประจับใจนี้อวิชาพญาสั้งคาราเขาเลื่อยไปเรื่อยมาทั้งถึงเชมรุระโยโฮติมันก็ล้วนแล้วต้องเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเหตุเป็นชัยเกี่ยวเนื่องกันออกไปเมื่อแกะที่ตรงนี้แล้วกับอวิชชาวัตถุวัวเสสวิราคารันไปเลยจกระทั่งถึงนิโรโธโฮติเน่ดับตรงนี้แล้วมันดับไปหมดเหมือนกับต้นไม้เราถอนออกมาทั้งหลักแล้วกิ่งกา้านสาขาดอกใบไม่ต้องถามมันละมันดับตายไปด้วยกันหมดถ้าถอนหลักจะละขวัญไม่ถึ น, า ม, นถมาหมดแล้วมันไม่มีอะไรเหลือ ถอนกิเลสจะต้องถอนที่ตรงนี้พิจารณาตรงนี้สวดกันทําไมสวดไม่พิจารณาเหตุพิจารณาผลทำมาโอ้ยเจามีเหตุมีผลทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่จะสอนให้คนโง่สวดแบบมงโง่สวดแบบแบบนั้นคําหนึ่งถามอะไรนะผลอะไรไม่ร่งูงเขาพาทำก็ทำบาสทำไปเพราะนัมม้นทำโอเจ้าสอนคนให้โง่หรืออย่างนั้นไม่ตรงกับความจริงคือศาสนาออกมาจากผู้ฉลาด ทำเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมแต่เวลาเราปฏิบัติเอาแบบฝุ่มดาวเอาควา ม, มาง่ายเพืว่ามันก็เข้ากันไม่ได้เลยศา ส, e. สนาเนือแต่แต่ชื่ออนับถือศาสนาหาผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการนับถือศาสนามันก็ไม่มีเพราะถือแต่เป็นพิธีเฉยเวลาจะลักจะนอนกขาไหวพัโปเล็กโปเล็กโปเล็โปเล็กอารมณ์มาโเกือบจะไม่จบจะตายไปก่อนแล้วล้มกรอกลงไปเลยไหว้ท่านแล้วก็ดีทานเพียงเท่านั้น น, นิดหน่อยเพะนั้นดีใจแต่มันจะปฏิเสธนะว่าการว่าอางนั้นมันไม่เกิดประโยชน์แต่มันไอสิ่งที่มันตรงอย่เรานั้นเราไม่ได้คิดสิอะไรพาให้ทําอดแอร์ถึงขนาดนั้นคืออะไรนั่นให้เป็นจริงเป็นจังกว่านั้นบ้างไม่ได้หรือนั่นตรงนั้นเราจะให้คิดตรงนั้นตั้งหน่อยแล้วอะไรๆมันจะได้มีจริงมีจังมีงมดีมีเหตุมีผลขึ้นมาหลักศาสนาก็จะปรากฏแก่โลกเรื่อความจริงจังเรื่องมันเป็นอย่างนี้ถึงได้พูดอย่างนั้น อันละเอ่บังเป็นคำนี้ครูใหญ่พะว่าเสร็จแล้วก็ครูใหญ่อะไรไม่รู้นะ